ที่จริงถ้าธรรมะที่ที่เราควรจะเอาไปท่องจำสาธยายนะน่าจะเป็นบทสวดมนต์อีกบทหนึ่งที่ที่ควรเจริญควรสาธยายก็เนี่ยนะจะควรรู้ยิ่งเป็นต้นเนี่ยนะก็ควรเอาไปสาธยายให้เป็นเรื่องเป็นราวก่อนนอนตื่นนอนหรือว่าว่างๆไม่ได้คิดเรื่องอะไรก็สาธยายอย่างนี้ไปการสาธยายก็ให้สาธยายแล้วก็คิดถึงในในชีวิตที่เป็นจริงด้วย ไม่ใช่นึกถึงแต่คำเนี่ยนะก็นึกถึงที่เป็นจริ ง, งแล้วก็ลองไปหมั่นวิเคราะห์แยกแยะอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะซึ่งวัตถุภายในก็เป็นการประชุมกันของธรรมะสามสิบหรือปีรูปสาต ร, รูปหกสิบก็ได้วัตถุภายนอกก็ในย่าเดียวกันเนี่ยนะก็การแยกคณะสัญญาอันนี้มีมากขึ้นไหมเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อแยกคณะสัญญาความสาคัญหมายว่าเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็คื อ, คอสับทั้งหลายเนี่ย ผู้ที่ไม่ทําปริญญาก็มองเห็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกลุ่มเป็นก้อนโดยที่ไม่ยอมวิเคราะห์ไม่ยอมวิเคราะห์ไม่ยอมแยกแยะเมื่อไม่ยอมแยกแยะเป็นที่มาของสารพัดทิฏฐิจะตามมาในปิยรูปสารรูปเนี่ยนะก็แบ่งเป็นตามทวารเนี่ยนะทวาร ล, ละทะวารละเท่าไหร่ทวารละสิบทวารละสิบนะเพราะฉะนั้นหกทวารก็เลยเป็นหกสิบ ก็ซึ่งธรรมบทเหล่านี้เนี่ยนะซึ่งใครที่จำอะไรได้ไม่มากก็สามารถที่จะจำได้โดยไม่ยากนักเนี่ยจำชื่อได้สิบชื่อเนี่ยสาทยายสามชั่วโมงไม่ทันจบเลยคิดวนอยู่แถวเนี่ยแล้วจะรู้ว่าแต่ละรอบแต่ละรอบนะเอาตามปฏิสัมพิธามักเนี่ยไปสาทยายเถะสาทยายโดยเฉพาะอภินญญานิเทศเนี่ยสาทยายไว้มากมากๆ แล้วประมวลสิ่งเหล่านี้ลงมาในชีวิตที่เป็นจริงให้มากๆากนะแล้วอ่านพระไตรปิฎกใหม่นะกลับไปอ่านพระไตรปิฎกอีกรอบหนึ่งนะจะได้อัธรบอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าเจริญอย่างนี้เป็นอัธยาสายัยอ่านพระไตรปิฎกอีกก็คลกนละอย่างเฮ้ก็เริ่มเดียวกันทําไมเปลี่ยนไปอย่างนั้นเนี่ยนะก็สภาพจิตเราเปลี่ยนไปนั่นเองเมื่อสภาพจิตเราเปลี่ยนไปความรู้ความเข้าใจเรามากขึ้นความเลิศเสื่งในพระธรรมวินัยก็จะมีมากขึ้นเนี่ยนะ ในธรรมะโดยเฉพาะปีรูปสารูปเนี่ยนะก็เวทนาสัญญาเจตนาตัณหาวิตกวิจารณ์ก็สบายนัผ่านมาดูหน้าสองสองสองข้อห้าว่าวิสัชนาหกมีธาตุธาตุหกคือปฐวีธาตุเป็นต้นเนี่ยนะก็อันนี้เป็นการกำหนดนามรูป ซึ่งเป็นการแสดงนามรูปค่อนข้างย่นย่อเนี่ยนะก็คือแสดงโดยความเป็นธาตุหกธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเนี่ยนะอากาศและวิญญาณอย่างปฐวีธาตุคือธาตุดินเนี่ยนะธรรมชาติที่แผ่ไปมาแห่งก็บอกว่าทำธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งก็ได้เพราะธาตุดินนี้เป็นธาตุที่เป็นที่ตั้งแห่งธาตุทุกชนิดเนี่ยนะนั้นปฐวีธาตุปฐวีธาตุก็แบ่งเป็นภายในกับ ภายนอกใช่ไหมภายในเท่าไรภายในยี่สิบนะผมคนเลขบฟันนั้งแต่ต้นนั่นเองส่วนปฐวีธาตภายนอกก็ต้นไม้ใบหญ้าก็กระวีเตียงต่างเรียกว่าปฐวีธาภายนอกส่วนปฐวีธาภายในก็คือธรรมชาติที่เออบอาบที่ไหลไปหรือเกาะกลมธรรมชาตินั้นชื่อว่าอาโปธาต์ไหลเ อ, อิบอาบเกาะกลมส่วนธรรมชาติที่ทําให้ร้อนชื่อว่า เตโชธรรมชาติที่พัดไปชื่อว่าวาโยผู้อ่าช่องว่างระหว่างธาตุนั้นๆน่ะ น, นะที่ใครๆขีดไม่ได้เขียนไม่ได้ไถก็ไม่ได้ตรงเนี้ยชอบก็บอกไถไม่ได้เลยนะวารูปก็ไม่ได้ทําลายก็ไม่ได้อันนั้นเรียกว่าอากาศาธาตุไม่ต้องไปทําอะไรหรอกซึ่งในรูปเหล่านี้เนี่ยเราสามารถเอามาเจริญได้เลยนะกำหนดรูปนามแบบย่อๆก็คือเนี่ยกำหนดโดยความเป็นธาตุสี่ นะกําหนดโดยความเป็นธาตุสีเนี่ยวิปัสนาภูมิที่นับเมาื่ยาบที่สุดเนี่ยคือกําหนดเท่านี้แหละกําหนดโดยความเป็นธาตุสี่พบภูมิทั้งหมดคือธาตุสี่เนี่ยนะทุกขนทุกแห่งคือธาตุสี่ทุกอารมณ์ที่เราคิดถึงก็คือธาตุสี่ถ้าใส่ใจไว้แบบนี้นะถ้ากําหนดอย่างนี้ไม่ได้นะี่อย่างอื่นก็โห ย, ย่อดไปแยกเป็นคันอายตนะตะนาธาตุวุ่นวายสับสนไปหมด น, นะก็ยากไปเรื่อยแต่ถ้ากาหนดอย่างนี้ อผู้ที่เรียนปริยัติมาดีๆนะเขาก็บอกเอ้ยไม่น่ายากเย็นอะไรแต่ลองมามานาสิการโดยความเป็นท่าจริงๆดูสิจะรู้ว่าง่ายหรือยากเนี่ยนะกลับบ้านเนี่ยนะเห็นท่าเป็นทาาสีตลอดทางไหมน้องผู้การจะเห็นทาาสีตลอดทางไหมเนี่ยคงยากเหมือนกันทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าเบื้องหลังของสีที่เห็นทั้งหมดคือทาาสีเสียงที่ได้ยินก็เบื้องหลังของเสียงก็ทาาสี กลิ่นที่รับรู้ก็เบื้องหลังของกลิ่นทั้งหมดก็ธาตุสีริมรสเมื่อไหรก็ธาตุสีรับกระทบสัมผัสอุณหภูมิตัวร่างกายทั้งหมดเนี่ยมณสิการตรงไหนไม่พ้นธาตุสีอยู่ในโลกของธาตุสีแต่ความคิดว่าธาตุสียังไม่เกิดจะกล่าวไปใหญ่ถึงอัตมตาณิพานที่สงบประงับจากธาตุสีแล้วนะเรียกว่าสัญญาณมณสิการโดยความเป็นธาตุเนี่ยอย่างยากเมื่อก่อนนะ เราอ่านในคำพีนั่นเขาบอกโอ้ยบางคนนะกำหนดได้แต่ธาตุสีจริงๆกําหนดอุปาทายรูปต่อไปอีกไม่ได้ของเราเทั้งหลายเนี่ดูธาตุสีก็ดูช้ำไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ <c oughs> คาว่ากําหนดธาตุสีได้มันกําหนดได้จริงๆคือเมื่อไหร่ก็ธาตุสีทั้งวันทั้งปีทั้งชาติอะ่ะคืออย่างเราเห็นหนังสือใช่ไหมตัวหนังสือเนี่ยถ้าถ้าเรียนภาษาไทยมาดีเห็นตัวหนังสือปั๊รู้เลยตัวนั้นเป็นตัวนั้นนั้นนน น, นแต่เราเรียนธรรมะม า, มาทําไมมองไม่เห็นอย่างนี้บ้างอะ่ะไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหม ตัวเลขเนี่ยเลขอารบิกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามองเห็นก็รู้เลยว่าไอ้เครื่องหมายแบบนี้เป็นเป็นตัวเลขทั้งหลายแหละทําไมลืมตาเนี่ยเออมาหาพูดนะเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่ถามว่าจริงไหมจริงแต่ทําไมคิดไม่ได้หรือทําไมไม่คิดเออเนี่ยมันน่าคิดถ้าถ้าท่านจึงบอกว่าปัญญาของบางพวกกําหนดได้แต่ธาตุสี่จริ ง, รงๆของเราทั้งหลายดูธาตุธาตุสี่ยังกะยากเลยนะ มันก็สังเกตกว่ามรรคผลนี่มันใช่ไม่ใช่อยู่ใกล้เหมือนกันนะสัญญามณสิการว่ามหาพูดอย่างยากเมื่อวางไปไหว้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าขอนอบน้อมแต่พระพุทธมีประภาผพพู้ตัดฉันทราคาในมหาพูดได้นั่นก็ก็เท่ากับกล่าวอาัศาาธาอทีนวะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนั้นมหาพูดก็พยายามหมั่นมณสิการถ้าใส่ใจว่ามหาพูดอย่างยากแล้วอาัศธาแห่งมหาพูดจะเห็นได้อย่างไร อารีนวะของมหาพูดโอ้ยิ่งยากน ะ, นะแล้วเมื่อไรเนาะจะเข้าใจถึงคําว่านิสรณะมหาพูดถ้าสัญญามานสิการว่ามหาพูดของเราน้อยเนี่ยน ะ, นะมันก็เห็นอะไรก็มหาพูดมหาพูดแขวนแต่ก็หลายท่านก็มานสิการนะอย่างนี้กันหลายคนนะนะแต่ก็ไม่ใช่มานสิการเอาใจคนบอกอนะ <c oughs> ให้มันสัญญาณมนสิการก็ให้มันเป็นเรื่องเป็นเราเป็นจริงเป็นจังาเออมันก็ใช่มหาพูด นี่นะเพราะมหาพูดอย่างสมดุลกันนะสิ่งนั้นนั้นจึงเป็นไปได้ถ้ามหาพูดอันใดอันหนึ่งวิบัติไปสิ่งนั้นก็พร้อมที่จะแปร ى. ถ้าใส่ใจมหาพูดเยอะๆเนี่ยจะเข้าใจเรื่องสีขึ้นเพราะสีมันเรื่องเนื่องด้วยมหาพูดใช่ไหมสีจะออกเขาจะออกเหลืองจะออกดําจะออกแดงจะออกน้ําเงินหรือจะออกอะไรนี่อยู่ที่มหาพูดเนี่เพราะสิ่งเดียวกันมหาพูดอย่างเดียวกันเนี่ยพร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้ ใครจะเชื่อว่าโครนจะเป็นจะเป็นดอกบัวไนดะ้ดอกบัวกับโครนเนี่ยต่างกันไหมต่างหรือไม่ต่างโดยพรารมัตรไม่ต่างแต่สีทําไมมันต่างอะ่ะเพราะว่าดอกบัวมาจากไหนก็มาจากโครนตมอาศัยน้ํากับโครนตมเนี่ยแหล ะ, จะเจริญเติบโ ต, ต, ตมาเรียกว่าดอกบัวอของอดอกไม้ทั้งหลายแหลเนี่ยนะป๋ยอะไรเอาไปใส่ ก็ป่วยมูนมูลสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเอามารดทําไหมแต่ทําไม่ดอกไม้มันสวยถามว่าในดอกไม้นี่มีมูลสัตว์อยู่ในนั้นไหมนี่เธอเธอถ้าถ้าจะกล่าวแบบนี้จะเรียกว่ามีก็มีแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพไปอีกอย่างหนึ่งไปซึ่งจริงๆก็คือมหาพูดนะมหาพูดนี่ท่านบอกว่ามหาพูดจริงๆนะมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปไปสารพัดจริงๆเลยนะพร้อมที่มันจะเป็น แต่ว่าจะมันจะพลิกแพลงเป็นมายากลขนาดไหนก็ตามใส่ใจว่านั่นคือมหาพูดเจ้าก็คือมหาพูดกันยังค่ำนะก็เหมือนกับอะไรนะเหมือนเราดูภา พ, พยนตร์ใช่ไหมมันจะวิ จ, จิตพิสดารยังไงเราก็รู้ว่ามันมายากลคือต้องสัญญามนสิการไว้อย่างนั้นใช่ไหมว่าเอ้อนี่ก็ละครนอะ่ะนี่มันละครชัดๆต่เนี่ยนะก็สัญญามนสิการอนะันนี้ไว้ได้ไม่ใช่ดูไปดูมาไปร้องไห้อยู่ในนั้น หัวร้องให้หัวเราะเพราะในละครนั่นน่นนะทั้งๆัง ท, งที่นั่นก็คือเป็นภาพของมหาพูดถ้ากําหนดมหาพูดได้นะถ้ามหาพูดกระทบกันเรียกว่าเสียงเน้นที่ปัทวีธาตมันกระทบกันเนี่ยนะโดยมีเตโชเป็นต้นเนี่ยผลักดันก็ทําให้เกิดเสียงขึ้นอย่างคอเออเสียงที่อย่างอาตมาพูดเนี่ยเสียงนี้เขาเรียกว่าเกิดจากจิตชาปัทวี จิตชาปัทวีธาตาุนะมันไปกระทบกับปัทวีธาตุที่เป็นกรร ม, มชะปัทวีธาตุที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานไปกระทบกับปัทวีธาตุที่มีกรรมเป็นสมุทฐานมันก็เลยเปล่งเสียงออกมาก็เปล่งเสียงออกมาก็ทั้งคำว่ก็บอกว่าลมมันแผ่ขึ้นเลยลมมันแผ่ขึ้นมันก็ผ่านไอตัวสายเสียงสายเสียงมันก็ขยับเข้าขยับออกขยับเข้าขยับออกอาศัยฐานเสียงคือพวก ปากพวกฟันลิ้นเพดานคอทั้งหลายแล้วก็เปล่งเสียงออกมาก็โตวกับเครื่องขยายเสียงแล้วเสียงก็ดังขึ้นเนี่ยนะแต่ว่ากลไกลทั้งหมดเกิดจากมหาพูดมันเบื้องหลังของเสียงก็คือมหาพูดแล้วแต่ว่าปัจจัยของมันคืออะไรแต่ว่าเมื่อมนุิการสีก็ตามให้เลยไปหามหาพูดซึ่งเป็นเหตุใต้ของสีฟังได้ยินเสียงก็ตามเลยเพราะว่าต้นตอของเสียงจริงๆก็คือมหาพูด กลิ่นทั้งหลายก็ต้นตอของกลิ่นก็คือมหาพูทธรถทั้งหลายก็คือมหาพูทแม้กโภทพะทั้งหมดก็คือมหาพูทมหาพูทนี่มันหลอกลวงบอกมันไม่ได้สีขาวแต่มันดูให้ขาวได้นะถามว่าโคลนตมที่มาปลูกไม้ดอกเนี่ยนะมันขาวไหมตัวโคลอ น, อนนั้นน่ะแล้วทำไมได้ดอกบัวเข้าขามาเออนะมันมันแปลสภาพได้นะมันจากอีกอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งได้นี่คือธรรมชาติของ มหาพูดเป็นเป็นอย่างนั้นแหละะนั้นก็สายใจนะว่าช่องว่างระหว่างมหาพูดกับมหาพูดเรียกว่าอากาศธาตุที่ใดไม่มีมหาพูดอยู่ตรงนั้นเรียกว่าอากาศถ้าในร่างกายก็เช่นช่องจมูกช่องตากช่องลําคอหรือช่องลําไส้ในบางบางส่วนเนี่ยนะก็นั้นเรียกว่าอากาศธาตุส่วนถ้าวิเคราะห์รูปได้อย่างนี้เลยนะสิ่งที่บริสุทธุดพ่องอันนั้นก็คือวิญญาณธาตุ นะก็จิตที่ไปวิเคราะห์ทั้งหมดรับรู้เสวยความรู้สึกอันนั้นเป็นวิญญาณธาตุเมื่อมหาพูดมันเป็นอย่างนั้นนะไอตัวที่ไปคิดเรื่องมหาพูดคืออะไรก็คือวิญญาณธาตุเนี่ยนะก็หมั่นมนณิการให้เห็นวิญญาณธาตุอันนี้มากๆถ้ากล่าววิญญาณคือจิตอคือจิตเจตสิกเท่ากับกล่าวหรือยังกล่าวแล้วทําไมเพราะมันยังไงที่ไหนมีจิตที่นั่นก็ต้องมี เจตสิกกันนะเ ข, เขก็มีอยู่แล้วล่ะเพราะนั้นก็ชื่อว่ากล่าวแล้วงนั้นทวกนี้ก็นับว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมแบบย่อที่สุดสมัยพุทธ ก, กาลเขาเออสมัยในศรีลังกาเนี่ยนะพระที่บริหารกรรมฐานเป็นหลักคือพวกกาหนดธาตุสีเห็นไหมเขามานสิการจนรู้ว่าถ้ายกเท้าเนี่ยธาตุอะไรมันมากธาตุอะไรมันน้อยอนนเช่นแม้กระทั่งที่เรียกว่ายกย่างเหยียบย้ายหย่อนยันเนีย่ยนะเช่นขณะยกเท้าธาตุอะไรมาก ธาตุไฟกับธาตุลมมีกําลังมากธาตุดินกับธาตุน้ําอ่อนกําลั ง, งขณะที่ย่างไปก็ลักษณะเดียวกันนะเพอยะนลงเหยียบยันพวกนี้เนี่ยปฐวีธาตุกับอาโปธาตุมีกําลังมากส่วนธาตุน้ําย่อนกําลังลงอ่อนกําลังลงเพราะในที่อื่นๆเนี่ยถ้าถ้าเราหมั่นมานาักสิกรรแบบนี้ก็จะเริ่มเห็นความเป็นไปแห่งธาตุแม้กระทั่งการขยับตัวทั้งหมดเนี่อะไร จิตชาวายโยธาจิตชาวาโยธาตพาให้กรรมชาธาตุ น, นะรูปที่เกิดจากตําเป็นต้นขยับขยายหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามกิริยาการต่างๆนั้นทั้งหมดนั้นก็เป็นเป็นธาตุหลักการก็มีอยู่ว่าธรรมธาตุนิสตตะไม่ใช่จัดนิชีวะไม่มีสภาวะถ้าอขอพยานนิชีวะก็คือไม่มีชีวะอนิสภาวะเลยยุ่งเลยค่นี้ไม่ใช่เนะน้อนิชีวะก็พอ นิสภาวะก็หลอกกันทัชช์ๆอย่างนั้นเลยก็นิสตานิชีวะศูนย์ศูนย์จากความเที่ยงความสุขความยั่งยืนและอัตตาแต่ถ้าเป็นรูปธรรมนะอาจเจตนาคิดไม่ได้มันนั่นคือนิยามของคําว่าธาตุั้นใครเจริญอะไรไม่ได้ก็เจริญไว้แค่นี้ก็ยังดีเสร็จแล้วก็ต่อว่าปัทวีธาตุก็ไม่เที่ยงอาโปธาตุก็ไม่เที่ยงเตโชธาตุก็ไม่เที่ยงวาโยธาตุก็ไม่เที่ยง คิดเยออย่างนี้ต่อไปไว้บ่อยๆบ่อยๆนะเชื่อว่าทําที่สุดแห่งทุกข์ไร้ก็จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายถ้าใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดไว้มากๆนะแม้แต่ระลึกถึงสวรรค์ก็ยังมหาพูดอยู่ดีใช่ไหมก็ก็ป่นั้นแหะมันก็มหาพูดนั่นแหละแม้แต่พรหมโลกก็ยังมหาพูดอีกนะโอ้นี่ก็ดูว่าอสรพิษขยายอาณาเขตเต็มไปหมดเลยนะที่ไหนก็ไม่น่าอยู่สักแห่งเลย นี่ก็ใกล้ๆแล้วนี่ก็มาดูหมวดกระสินบ้างวิสาชนาสิบมีวิสาชนาในปฐวีกระสินเป็นต้นก็แสดงด้วยกระสินภาวนา